จดจำข้อความทุกประโยคไว้ให้แม่นซึ่งในงเมื่อมีความเข้าใจกระจ่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะทำให้เราได้แนวความคิดที่จะนำมาพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมได้อย่างมากมายก่อนอื่นขอให้โปรดเข้าใจไว้ก่อนว่าองค์ของพระโสดาบันมีสี่อย่างคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธ 2. เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระธรรม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 มีอบายทุกขติวินิบาศสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงพระแทรนิพานแล้วเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพียงแท้ที่จะตรัสรู้ในภายภาคหน้าข้อนี้หมายความว่าพระโสดาบันทุกองค์แน่ใจว่าตัวท่านเองพ้นจากอบายภูมิแล้วยังเด็ดขาดข้าพเจ้าต้องการที่จะขยายความของพุทธพจน์บทนี้ให้ละเอียดเพราะจากหลักอันนี้